ทุกคนเนี่ยในอย่างที่เจอความเป็ตปวดเจอความสูญเสียหรือว่าเจอโรครายเนี่ย เ, เขาคงไม่ได้ต้องการความสงสารจากเราแต่เขาต้องการความกำลังใจแล้วก็ความเข้าใจ สิ่งนี้ทช่วยทาให้คนเราเนี่ยที่จะเจะป็ป่วยหรือว่าทุกข์เนี่ยมีความเชมื<ม>่อมแขงในจิตใจมากขึ้นสิ่งที่คุณพิมมาะสมเนี่ยถ้าจะว่าไปแลมก็เป็นอย่างที่เพระเจ้าได้ตรัสไว้นนะคนเร า, าเราสวดตอนเช้าเนี่ย ก็จะมีข้อความบอกว่าเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วและเราจะปรารถนาความสุขในชีวิตนะแต่ว่าความจริงอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้ก็คือว่าความทุกข์เนี่ยมันมันอยู่กับตัวเรามันตามติดเราไปตลอดเวลาเพียงแต่ว่ามันจะแสดงตัว เราเห็นเมื่อไรนะที่จริงมันก็แสดงให้เราเห็นอยู่เรื่อยๆเยช่น น, นั่งตรงเนี้ยนั่งไปสักครู่สิบห้าถีสินาทีก็ปวดก็เมือยแล้วนั่นแหะคือความทุกข์ที่มันอย่างในตัวเรามันแสดงตัวมาในตอนที่ไม่ปวดไม่เมื่อยก็ไม่ได้แาลว่าไม่มีทุกข์นะทุกข์มันก็อยู่กับเรา แต่ว่าบางอย่างมันก็มาแล้วก็ไปเช่นความปวดความเนื่อยเพราะว่ า, าเรารู้จักเหลียนที่บวดพยายแข้งขยั บ, ย บ, ยบขาแล้วความผู้บางอย่างมันก็จะอยู่กับเรานะยาวนานมน นี่คือความจริงที่เราให้คนจะเรียกว่านเทธนารมาเรียกว่าเป็นข่าวร้ายก็ได้ <c oughs> ข่าวร้ายที่คนไม่ค่อยอยากจะรับฟังเท่าไหร่แต่ข่าวดีก็ิมมีนะข่าวดีก็คือว่าแม้ว่าความทุกข์มันจะตามติดเราไปตามติดนระ่งางกายเรานะแต่ว่า เราสามารถจะเป็นอิสระจากความทุกข์ได้แม้ว่ากายป่วยแต่ว่าใจไม่ป่วยก็ได้อันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่อยากจะให้พวกเราได้ได้ย้ําเตือนตัวเองว่าแม้ว่ากายป่วยแต่ใจไม่ป่วยก็ได้อันนี้เป็นคำพูดเก่า กับน ก, กุลปิดาซึ่งป่วยหนักนกุลปิดา น, น, า น, นกกดาี่ก็เป็นเป็นพ่อ<ม>ของอุบาสกผู้ช่วยทักกุละแล้วก็เป็นอุบาสกที่ที่ดีมากภรรยาก็ทักกุลมารดาก็เป็นผู้รักในมุนโอมคติที่พาาระเจ้าสรรเสริญทักกุลปิดาปว่วยหนักพาาระเจ้าก็าสาเสด็จไปเยี่ยม แล้วก็บอกว่าท่านจตนงตระหนักว่าแม่กายป่วยนะแต่พึงรักษาใจไม่ให้ป่วยตามทำไดนะ้อันนี้เป็นเป็นเป็นสิ่งที่เราทุกคนทำได้ในความป่วยกายเนี่ยมันไม่มีใค ร, รือคนย่อมเกิดขึ้นไม่ช้า ก, ก็เร็ว แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ไม่ปล่อยใจให้จมอยู่กับความเจ็บความป่วยนะเราก็จะตระหนักว่าในครับที่กายเจ็บน้ำป่วยอยู่นะแต่ว่าเราสามารถจะยกจิตให้อยู่เหนือความทุกข์ความทุกข์กายไม่สามารถจะมากระทุใจให้ให้หมุนหมองให้ เจ็บปวดได้ราจเดกันเรื่องการรักษากายเราก็ทำไแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่ต้องเยียวยารักษากายในแง่นึงเราก็ควรจะระลึกอยู่เสมอนะว่าไอ้ร่างกายมันก็ไม่ใช่ของเราหมายความว่าเราควบคุมบังคับบัญชา ย, ยไม่ได้ สังให้มันหายป่วยก็ไม่ยอมทำตาใจถึงแม่ไม่ใช่ของเราแต่เราก็มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาให้ดีนะเกิดมันก็เรือนะเรือเรือมันรั่วก็ต้องพยายามพยายามปักพยายามซ่อมเพื่อจะได้ใช้ได้ต่องๆให้เกิดไปอยู่อันนี้เรียกว่าทากิจนะการเยียวยาสารร่างกายเนี่ย เมื่อเจ็บป่วยเรียกว่าทํากิจแต่ขณะเดียกันก็จะดูทํากิจทนะํากิจคือว่ารักษาใจของเราให้ให้ไม่ให้ทุกถามว่าทําอย่างไรน ะ, ะมันก็ต้องเริ่มต้นจากการที่ที่คุณเรียกว่ายอมรับยอมรับเมื่อกี้คุณชื่ออะไรนะคง อยอมรับยอมรับการยอมรับความจริงเนี่ยนะเป็นเป็นปันไดขั้นแรกเลยนะในการที่จะทำให้จิต ใ, ใจไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทุกข์ทรมายเพราะว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเริ่มต้นจาการที่เราไม่ยอมรับความจริงนะหลายคนก็จะพอรู้ว่าตัวเป็นอะไรก็จะ ตีโปตายทำไมต้องเป็นชั้นหรือว่าโผลครวนอันนี้เป็นธรรมดานะแต่ว่าในแง่นี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าเรายังยอมรับความจริงไม่ได้แต่ั้นที้ที่เรายอมรับความจริงได้มันจะช่วยทำให้ใจสงบไปได้เยอะเวลาเราดั้งรถในกรุงเทพเนี่ยแล้วเราจเจอรถติดเจอไฟแดง ร้อยแสินาทีร้อยยีสินาทีเนี่ยลองสังเกตนะเมื่อใดก็ตามที่เราทุกเมื่อใดก็ตามที่เราหมุนมิ่นเนี่ยเพราะว่าเรายอมรับความจริงไม่ได้ทันทีที่เรายอมรับความจริงได้ยอมรัวเาิ่มเป็นธรรมดาของกรุงเทพใจเราก็จะสงบเลยจะมารู้จักกับ อาจารย์ท่านหนึ่งนะเรียกว่าเป็นอาจารย์เพราะว่าท่านเกิดเป็นครูแต่ก็หลังเนี่ยเมื่อพิการแล้วเป็นครูไม่ได้แต่ก็กลายเป็นอาจารย์สอนธรรมอาจารย์กำพลทองบุญ น, นุ่มทาารย์กพลเนี่ยที่การแต่ปี24เป็นครูที่เนี่ยนอะกคนไกลเสร็จ แ, แล้วก็เกิุบัติเหตุนะที่การตั้งแต่คอลงมา ก็มีความทุกข์ทรมานมากเพราะว่ารักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายในที่สุดก็รอวันตายอยู่ได้ด้วยการพึ่งพาพ่อแม่คอยพูดไปเข้าห้องน้ำพูดไปทำความสะอาดเช็ดตัวป้อนข้าวทำอะไรยังไม่ได้สักอย่างมีแต่พ่อแม่ทำให้ แต่ตัวหลังเนี่ยก็พอจะเริ่มขยับมือขยับไม้ได้บ้างหลังจากที่เติประสิทบปีที่แรกก็ไม่สนใจธรรมะตอนหลังได้ฟังธรรมะก็รู้สึกสบายใจแต่พอไม่ได้อ่านไม่ได้ฟังธรรมะจิตใจก็เศร้าหมองโมทูใหม่ก็เลยเพื่อไม่ได้การละอ่านนี่จไม่พรต้องปฏิบัติไยปฏิบัติยังไงนะทิ่การอย่างเนี้ย ก็เมือไหร่ไปรู้จักได้ชื่อหลวงพ่อคำเพียนสุวรรณโนหลวงพ่อคำธรรมอาจารย์ของผมก็เขียนจดหมายไปหลวงพ่อก็ตอบกลับมาว่าแนะนําปฏิบัติยังไงก็ท่านก็ปกติท่านก็สอนคนด้วยวิธีการยกมือสิบสี่สิบห้าจังหวะแต่ฏิธีการที่ทำไม่ได้ก็ให้แค่คลิกมือคลิกมือคลิกมือก็รู้แค่รู้ว่าคลิกก็พอ แต่ถ้าใจเผิดคิดไม่ไปก็รู้ว่ารู้ทันว่าใจเผิดคิดไม่ไปให้รู้ว่าที่ที่เรื่อขยับเนี่ยคือรูปไอ้ที่คิดเนี่ยคือนามมันมีแต่รูป ก, กับนามมันมันไม่มีเรามันไม่มีเรามันมีแต่รูป ก, กับนามทำไปแนละ้วไม่ถึงเกือนะก็เกิดฟิ้งขึ้นมาเลยนะว่าโอ้ที่แท้เนี่ยเราทีการ อธิปิการเนี่ยคือกายพิการใจไม่พิการด้วยรู้แค่นี้แหละท่านบอกจิตเราจะความทุกข์เลยมันเป็นความจริงสารจะธรรมดาสามาแล่นะคือพิการแต่กายการไม่พิการแต่ไม่เห็นนะไปที่ตลาดว่าเราพิการกูพิการกูพิการพอคิดว่ากูพิการหรือฉันพิการนะอุมาทุกมากนะใจแต่พอรู้ว่ามันไม่ให้กูพิการมันแค่กายพิการจิตเราจะความทุกข์เลย ผิดเป็นอิสระแล้วมันก็เป็นนี้ตั้งแต่ต้นก็นคือว่ามันมีแต่กายคิการกายสามากถคิดเคลื่อนหไหวได้แต่ใจเนะี่ยท่องเที่ยวไปไหนมาไหนได้สบายใช่ั้มแต่ว่าไปคิดไปสำคัญวัตถหมายตั้งแต่แร ก, กว่าไปสำคัญวัตถหมายคิดตั้งแต่แรกว่าฉันพิการไม่ใช่นะมันมีแต่ปูพิการนะมันมีแต่กายคิดการก็จิตใจกลับมาเปปกติยินแยแุนแจ่มใส จนหลายๆกลุ่มอีกว่าอยากจะเป็นอยากจะมีความสุขอยากจะมีความสนใจอนไรอาจารย์อาจารย์คำพนบ้างเราก็สอนทํามันตลอดนะจนทั้งหมดสองปีที่แล้วเนี่ยก็พวดเพิ่มเติมมะเร็งแล้วเติมมะเร็งต่บมะเร็งต่ำเนี่ยน ะ, ะระยะสุดท้ายอยูย่ก็คือมันลามนะอยู่ได้ไม่นานหมอบอกอยู่ได้ไม่นาน อาจารย์กัคนก็ไม่ทุกอะไรเลยก็เพียงแต่ว่าพยายามจะเยียวยาตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่เพื่อรักษานแต่เพื่ออรักษาอาการาการเวลาแพทย์พยาอาจารย์กับคนเนี่ยแล้วกระทั่งทุกวันนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าอาจารย์กับคนเนี่ยคือคนป่วยเพราะว่ายังยิ่แย่แฉลบใสแต่ร่างกายเนี่ยไม่ค่อยมีแรงอ่ะพูดไม่ได้นาะ ผ่านไปปีกว่าหรือปีครึ่งแล้วก็ยังก็ยังอยู่นะหมอที่แกรกหมอคิดว่าผมจะเข้าหกเดือนนั่นแหละนี่ปีครึ่งแล้วอะไรทํำให้จางของผลเนี่ยนะยังยืดเยื้อแก่สาได้แล้วก็อาจจะช่วยทําให้อายุยืนยาวกว่าที่หมอคาดเอาไว้แต่ก็พบว่ามีสามยอนะหนึ่งยอมรับความจริงยอมรับว่าเราป่วย ยอมรับว่าความป่วยเกิดขึ้นกับเรายอมรับมีมะเร็งอยู่ในร่างกายสองยอมรับความเป็นไฟก็คือว่าไอ้มะเร็งเนี่ยนะมันรักษาไม่หายและมันก็จะแย่ลงแย่ลงมันทําให้ร่างกายแย่ลงแย่ลงมันก็จะลุกลามมากขึ้นก็อยอมรับมัน ไม่เอะอะไม่ทีโทพตีไยไม่อดครัวไม่โกรธไม่เกลี้ยงมันและสามยอมรับความตายคือเมื่อมันจะตายก็ตายเป็นเรื่องของมันเป็นเรื่องของสังขารร่างกายไปพอทำามสามยอมนี้ได้เนี่ ย, ยก็ จิตใจก็เบานะอะไรที่เกิดขึ้นเป็นก็เป็นเรื่องของเป็นเรื่องของขันห้าไปนะไม่ใช่ของเรานะถ้าบอกเป็นเรื่องของเป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเราไอ้ความเียบป่ปวเนี้่เป็นเรื่องของเขานะไม่ใช่เรื่องของเรานะเขาในที่นี้คือขันห้านะโดยเพราะไอ้ตัวรูปกันร่ากายเอาแต่ว่าสาคัญนะยอมรับ การยอมรับถ้าเรายอมรับให้ได้เงินหายของหายอันนี้ก็เป็นแบบพื้นฐานที่จะทำให้เรายอมรับความจริงได้ว่ามันมันไม่อยู่กับเราแล้วให้ความเจ็บปวดก็เหมือนกันปัญหาที่ปัญหาที่ทําให้คนทุกข์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ความเส็บป่วยนะแต่เป็นการยอมรับความเจ็บปวดไม่ได้ เมาวานนี้ธรรม ก, ก็เราไปแล้วนะเรื่องของคนที่พยายามรักษาสุขภาพด้วยการกินอาหารสุขภาพกินอาหารชีวิจิตกินอาหารออแกนิกออกกำลังกายอาหารเสริมทุกอย่างกินหมดด้วยความเชื่อว่าจญทําให้มีอายุยืนแต่แล้วพอเป็นมะเร็งเนี่ยยอมรับไม่ได้นะว่าทําไมเนี่ยฉันอุตสาหดูแลสุขภาพมาตามนี้ถึงต้องเป็นมะเร็งแต่แกก็กาดเกลี่ย วยไว้วใส่หมอใส่พยาบาลตลอดช่วงเวลาที่รักษาและก่อนตายก็ทายเลยทุกทรมารไม่ใช่เพราะมะเร็ง น, นะที่อาการบนี้เกิดขึ้นแต่เป็นเพราะยอมรับไม่ได้ในทางตรงข้ามมีคนไข้คนหนึ่งอันนี้หมอหมอผู้หญิงไล่าให้ฟังว่าวันหนึงเธอจรับมอบหมายให้ไปเยี่ยมบ้าน ไปเยี่ยมไข่คนไข้คนนึงเธอขอดูประวัติดูโปรไฟล์เห็นแล้วก็หนักใจเพราะคนไข้คนนี้เป็นผู้ชายวัยกลางคนเป็นมะเร็งและมะเร็งเนี่ยไม่เหมือนใครเป็นมะเร็งที่ใบหน้ามีแผลแผลใหญ่เนี่ยอยู่ที่ใบหน้ามันกินแก้มแล้วก็กินจมูกแล้วก็กินริมฝีปากไปแผลใหญ่ มาในที่นี้เจ็บปวดมากแล้วก็ที่มันแย่ไปนั้นคือว่าถ้าเป็นแล้วเนี่ยจะไปไปโดนแดดไม่ได้เพราะโดนแดดเนี่ยมันจะเกิดเป็นเกลียกับระบบประสาททาให้ปวดยิ่งขึ้นเพราะนั้นเนี่ยจะออกไปเที่ยวเล่นที่ไหนเนี่ยนะจะไปเที่ยวสวนสาธารณะจะไปเยี่ยมใครเนี่ยแทบจะทํา ไ, ทไม่ได้เลย ต้องเก็บตัวอยู่ในห้องแบบนี้หรือว่าในบ้านที่มีพรางมีมา่านมีอะไรพรางเอานึกนักฝนที่อยู่ในใ น, ในห้องที่มันหรือในบ้านที่ไม่เจอแดดไม่เจอตะวันเลยนนะแล้วต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่มีใครอยากจะมาเยี่ยมเห็นแพ้แล้วก็กลัวเจ้าตัวเองก็สึกอับอาย เพราะนั้นเนี่ยอกจากจะมีความเจ็บปวดทางกายแล้วเนี่ยก็จะมีความทุกข์ใจในอเมริกาในคนที่เป็นมะเร็งชนิดนี้ค่าตัวตายเนี่ย 25% หนึ่งในสี่นะหมอเนี่ยหมอพิมพ์นนี้แกก็หนักใจก็ไปเยี่ยมบ้านคนไข้คนนี้เพราะคนไข้คงจะเอาว่าแต่ว่าพอไปถึงเนี่ยผิดคาดนะคนไข้เนี่ยทักทายอ็รับตีหมอสบายดีไหมแทนที่จะถามหมอมาทำไม สบายดีไหมแสดงว่านะว่าคนไข้คนนี้เนี่ยนะโอภาปาศัยนะแล้วก็กแฝงแจงมั่นขท่านี้เนี่ยอารมณ์ดีผิดข้าม ง, งานที่แหลงคื่วาม ล, ลูกแล้วคุยไปคุยมากก็รับบุประวัติของแกงนะว่าตอนแกหมกเนี่ยแกเป็นคนกินเหล้าเมายามากเลยพฤติกรรมเสี่ยง มีครอบครัวก็ไม่สนใจลูกเมียจน ต, ต้องอยา่าลูกก็ไปอยู่กับเมียแกพูดไปแกก็เหมือนกับรู้สึกยอมรับว่ายอมรับความจริงนะว่าไอ้ที่แกเป็นมะเร็งเนี่ยสงสัยเป็นเพราะพฤติกรรมไม่ดีที่เคยทําไวส้สองคนแรกนี่เหมือนกันเลยนะคนแรกนี่เขว้ยรักษาตัวดีนะสุขภาพดีมากเลยกินอาหารชีวิตจิตกินอะไรแต่เป็นมะเร็ง ยอมรับไม่ได้เพราะฉันอุตส่า์เวลาตัวเองอีกคนหนึ่งนะเป็นมะเร็งยอมรับได้เพราะเออฉันปล่อยตัวใช้ชีวิตแบบนี้ก็เลยเลยเป็นมะเร็งแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลสำคั ญ, คญหเหตุผลสคัที่ทํำให้แกเนี่ยไม่ทุกข์ทรมานทั้งที่ปวดแต่ว่าใจไม่ทุกข์ทรมานมากเป็นผลสําคัญก็คือว่าแกบอกว่าวันวันแกไม่ได้ทํำอะไรหรอกนอกจากว่าลูกแกก็นั่งดูโทรทัศน์ แล้โทรทาช่องที่แกดูเป็นประจำเนี่ยก็คือ CNN อละ c อ n นซอนั่นมันก็มีแต่ข่าวเรื่องก่อการร้ายสงครามโรคระบาด ท, ทุกทีกับภายัยนา้าท่วมแผ่นดินไหวนะอาจจะกรรมแกดูไปดูไปแกก็ติดคิดเล็นะเออคนเรานี่มันมีความทุกข์ไม่พ้นนะไม่ว่ารวยหรือจนไม่ว่าขาวหรือ ด, ดำก็ ต้องทุกข์ทั้งนั้นความทุกเป็นธรรมดาของมนุษย์จะไม่ได้คิดเองแต่แกคิดต่อไปว่าได้เห็นต่อไปว่าเออไอ้ความปวดของเราเนี่ยมันก็เป็นส่วนของความทุกข์ที่เกิดกับมนุษย์คือมันธรรมดาพอแกยอมล้วได้ความโกลาหลในเรื่องธรรมดาไอ้ความทุกข์ใจนะมันก็มันก็คลี่คลายหนุน แกปวยก็จริงนะแต่ว่าใจแกไม่ทุกข์แกก็พยายามดูแลตัวเองดีๆ ด, ด้วยความหวังว่าจะให้มีชีวิตยืนยาวนานเท่าที่จะเป็นไปได้เพื่ออะไรไม่ใช่ว่าปวตายแต่เพราะว่าจะได้มือไรอยู่กับลูกให้นานขึ้นหมอบอกแกอยู่ได้แค่หเกเดือนแกนอยู่ได้เป็นปีนะ ในตอนที่แกป่วยแกก็ไม่ได้ทุรทุรายอะไรในตอนที่แกตายแกก็ตายสงบประเด็เนของประเด็นสำคัญคือว่าเนี่ยอาตมาพูดถึงคนไข้สองคนคนหนึ่งเนี่ยทุกทรมารและตายในสมบพเพราะยอมรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวไม่ได้อีกคนหนึ่งยอมรับได้ยอมรับไม่ใช่ยอมรับว่าเออเราเร า, เราทําตัวเราเองแต่เราแต่ยอมรับว่า ความที่เป็นธรรมดาของมนุษย์อัตมาว่าเนี่ยไม่ว่าเวลาเราเจอความทุกข์อะไรก็ตาม น, นะ่ะสิ่งที่เราทำได้ก็คือทำให้ใจเราเนี่ยยอมรับความจริงให้ได้ว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วบนเอะตีบนตีพาบททวนก็ไม่ได้ช่วยทำให้อะไรดีขึ้นกับทำให้แย่ลง ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยอะไรอะไรที่ดีๆก็จะตามมาเราจะเราจะเรียนรู้วิธีที่จะรักษาใจให้เป็นกุศลเช่นมีเมตตากรุณา เมตตากรุณากัรรไกรเมตตากรุณากับร่างกายนี้เมตตากรุณากับแม้กระทั่งกับโรคสุภาพพรโมกขึ้นเะนี่ยที่ทียสมาที่เราจะได้ดูวีดีโอพรุ่งนี้เนี่ยแล้วเทียสมาพูดมเมื่อวานนั้นว่าเธอรู้สึกว่าสองปีสุดท้ายเป็นช่วงเธอมีความสุขเธอจะคุยกับมะเร็งต่อเวลานะเรียกว่าคุณมะเร็งไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดก้อนมะเร็งในสมองของเธอเลย แล้วกเ็เธอไม่รับการรักษาการแพทย์แผนใหม่เลยเธอพยยรักษาวิธีธรรมชาติก็สามารถจะอยู่กับมะเร็งได้โดยไม่ทุกข์ประมาณ1ิบปดปีมีคนนึงแกเป็นมะเร็งนะแล้วก็ปวดมากแต่ว่าแกก็มไม่ได้กินยาเท่าไหร่แกจะคุยกับมะเร็งเหมือนกับสุภาพบรเช่นก่อนนอนเนี่ยถ้าเกิดเธ อ, อรู้สึกปวดเธอจะบอกมะเร็งว่า มะเร็ง น, นะตอนนี้ได้เวลานอนแล้วนะฉันผันกาลังจะนอนแล้วเธอก็นอนด้วยนะแล้วบุรีเช้าเราค่อยค่อยตื่นขึ้นมาใหม่อีก <c oughs> คนนึงก็คล้ายกันนะแต่เธอไม่เป็นมะเร็งเธอเป็นโรคสะเก็ดเงินแรงมากเธอั็ต้องนอนอยู่บนบนพื้นบนใบตอง ปวดนะปวดมากแต่เธอกินยานะครับปวดน้อยมากเธอทำยังไงเอถึงอยู่กับโรคสเก็ตเงินได้อย่างที่ไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องพึ่งยากนะครับปวดเธอก็มีทำเม้าสุดีดีๆกับมะเร็งไอ้ยกับสเก็ตเงินเวลาเธอไปทปําบุญที่ไหนมาหรือว่าเวลาเธอตังบาร์ทำสังฆทานเธอก็บอกกับสเก็ตเงินว่าสเก็ตเงิน ถ้าเธอจะไปเธอก็เอาบุญกุศลของฉันไปด้วยนะฉันทําบุญแต่ถ้าเธออยู่เธอต้องระวังนะเพราะว่ายาที่ฉันกินมันแรงนะเก อ, อาจจะตายได้ถ้าเธอเคยเยียสเก็เงยยัเพราะฉนันะฉ้นเธออยู่กับมันไดน้อยู่โดยที่ไม่ทุกข์เพราะว่าเธอไม่มีความโกรธไม่มีความเกลียดนะซึ่งมันดี่กับจิตร่างกายหรืจิตใจของเธอนะถ้ามายกตัวอย่างเนี่ยสองกรณีเนี่ยนะคือการวิธีสอง วิธีการทำใจสองอย่างคือเป็นการยอมรับความจริงยอมรับว่ายอมรับว่ามันเป็ น, เ ป, นเป็นธรรมดาการยอมรับทาให้ใจไม่ผักสายไม่ต่อตา้านไม่รังเขียจและถ้าเราเติมเมตตากรุณาเข้าไปด้วยก็ทำให้อยู่กับโรคได้โดยใจที่ไม่เป็นทุกข์ ซึ่งคิดว่าคุณปีนก็คงพยายามทาอยู่นะ